เรื่องที่สิบสี่ซิริมงคลตามประษาของเซนนิทานเรื่องนี้ที่จะเล่าต่อไปนี้จะแก้ข้อขอรหาและความเข้าใจผิดของคนบางคนได้เป็นอย่างดีที่กล่าวหาว่าคำสอนเซนนั้นลึกซึ้งนัก เนื้อเม่เกินวิสัยแล้วยังพานโทษเอาอาจารย์ผู้สอนว่าแกล้งยักย้ายคำพูดให้เป็นเรื่องยากทำเอามนุษย์มนาเขาฟังเป็นของสูงของศักดิ์สิทธิ์ไปเสียที่แท้แล้วมันกลับกันคือทางพุทธศาสนาอย่างเซนนั้นต่างหากที่กล่าวซื่อๆถูกตรงกับความเป็นไปของคนเราและพยายามให้เห็นเป็นเรื่องธรรมดาธรรมดาที่สุด แต่ชาวบ้านเสียอีกมีความอยากความปรารถนานำหน้าเป็นเจ้าเรือนขี้มักนึกว่าโลกนี้เป็นอีกอย่างหนึ่งเราท่านทุกคนย่อมทราบกันดีอยู่แล้วว่าประเพณีดั้งเดิมในหมู่คนจีนคนเกาหลีคนญี่ปุ่นเขามีความเชื่อถือเหมือนกันอย่างหนึ่งคือทุกบ้านทุกช่อง จัดที่ไว้แห่งหนึ่งให้เป็นหิ้งสังเวยศักดิ์สิทธิ์สำหรับไหว้ผีไหว้เทพไหว้บรรพบุรุษตลอดจนเส้นไหว้เสียนตามแต่ตนจะถือไหวเฮียนสามารถดนบันดาลอะไรอะไรได้ชงัดแท้ตามเสาเรือนที่สำคัญสาคัญก็นิยมมีกระดาษแถบแดงยาวๆเขียนพาสิทธิลึกซึ้งเป็นคำของนักปราชให้เห็นเป็นที่สะดุดตา เพื่อได้กราบไหว้บูชาถือว่าเป็นสิ่งอํานวยพรและให้ความเป็นสิริม ง, งคลทุกค่ำเช้าในญี่ปุ่นสมัยหนึ่งยังมีชายวัยหกสิบคนหนึ่งสร้างตนสร้างครอบครัวขึ้นมาด้วยความอุตสาหะจนได้เป็นเศรษฐีเจ้าของทรัพย์มีบุตรหลานและพร่งพร้อมด้วยความนับหน้าถือตา ชื่อว่าเริ่มความเป็นปึกแผ่นของตระกูลทันชั่วชีวิตเดียวเศรษฐีเข้าเขตไวยชาราคนนี้ก็มาคำนึงถึงการข้ังหน้าอยากจะให้ความมั่งมีสีสุขอย่างนี้ยั่งยืนไปตลอดกาลนานมันมาจนใจอยู่แต่ว่าตนเองจะต้องละโลกนี้ไปในเมช้าแล้ว ตราบที่ยังมีชีวิตอยู่ก็ยังเชื่อแน่ว่าตนจะมีวิธีครองความเป็นเศรษฐีอย่างนี้ไปได้ไม่ให้เพียงพลัมเพราะตนได้รู้เคล็ดลับในเรื่องนี้มาแล้วมายากใจจงที่ว่าความตายจะมาสกัดตัดสิทธิ์ไม่ให้สเสวยผลจากหยาดเหงื่ออย่างที่แกไม่มีทางหลีกเลี่ยงดูมันไม่เป็นการยุติธรรมของฟ้าดินแม้แต่น้อย ต่อไปชั่วลูกชั่วหลานเราจะมีหลักประกันอันใดที่เขาจะรักษาทรัพย์สมบัติอันมหาศาลอันนี้ไว้ได้ไม่เสื่อมถอยตลอดเวลาที่แกยังนึกหาช่องทางที่ให้ความมั่นคงในอนาคตจนเป็นที่อุ่นใจเพียงพอไม่ได้เศรษฐีจะนอนตายตามในหลับ หลังจากไคร่ครวนหาช่องทางไปทุกอย่างทุกวิธีอยู่นานหลายปีตามประษาของแกที่มีระดับการศึกษาและมันสมองเพียงเท่านั้นก็พบว่าไม่มีช่องทางใดที่ทำให้แกแน่ใจได้เพราะไม่มีอะไรจะอยู่คอยช่วยคุ้มไปได้หลายๆชั่วคนมีหวังอยู่ทางเดียวก็คือหันหน้าเข้าหาทางพระทางอภินิหารศักดิ์สิทธิ์ เพราะนี่แหละจะคงมีอำนาจที่มองไม่เห็นตัวแต่สามารถทรงอยู่เพื่อดำรงให้ความเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งข้ามภพข้ามชาติไม่ว่ากี่ชั่วอายุคนแม้ลูกหลานที่อยู่ในเวลานี้จะล้มหายตายจากไปแล้วกว็าตามลูกหลานของลูกหลานต่อๆไปก็จกสามารถรักษาความเป็นมหาเศรษฐีนี้ไว้ได้เรื่อยไปในเวลานั้น ทางพุทธศาสนาก็ไม่มีใครเกินกว่าหลวงพ่ออาจารย์ใหญ่ฝ่ายเซนชื่อซีนกายผู้เป็นพระเถระยิ่งใหญ่เป็นที่นับถือกราบไหว้ของมหาชนทั้งหลายในฐานะที่เป็นครูบาอาจารย์ของบ้านของเมืองทีเดียวเศรษฐีจึงเข้าไปบอกความตีตันหัวใจทั้งหมดโดยตลอดและขอให้หลวงพ่อได้ช่วยเขียนเจิมตัวคาถา เพื่อจะเป็นมหาสิริมงคลบรรดาลให้จำเริญมากมูลยิ่งยิ่งทำมาค้าขึ้นทั้งในเวลานี้และในภายภาคหน้าชั่วลูกชั่วหลานตราบเท่าที่คาถาวาจาสิทธิ์ของหลวงพ่อจะสถิตอยู่อํานวยความศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองเป็นพรอันประเสริฐตลอดไปฉะนั้นจึงขอนิมนหลวงพ่อไปทําพิธีและฉันอาหารบิณฑบาต ท, ที่บ้าน ในวันพิธีเศรษฐีได้เชิญแขกเรือรวมหมดทั้งที่เป็นญาติและมิใช่ญาติมากมายโดยเฉพาะเกณฑ์ให้ลูกหลานเหลนทุกคนให้อยู่พร้อมหน้ากันกิจธุระทุกอย่างให้พักไว้ก่อนพอถึงเวลาหลวงพ่อท่านก็รับม้วนกระดาษแดงมาคลี่เอาผู้กันจุ่มหมึกอย่างไม่มีพิธีรีต่อวินาทีนั้น ทุกคนพากันอึดลมหายใจไปตามต่างกันต่างก็พุ่งจิตใจทั้งหมดไปยังปลายผู้กันอันทรงพลานุภาคเร้นลับนั้นดูทีว่าหลวงพ่อท่านจะลากน้ำหมึกให้เป็นตัวอักษรมงคลว่าอย่างไรและแล้วหลวงพ่อก็ป้ายน้ำหมึกไขว้ไปไ่วยมาอย่างรวดเร็วเป็นตัวอักษรสามตัวเรียงจากบนมาล่าง ข้อความมีดังนี้ให้พ่อตายก่อนแล้วลูกตายและหลานจึงตายทุกคนปากอ้าตาค้างตัวท่านเศรษฐีหันมาทางหลวงพ่อทำหน้าคล้ายจะร้องไห้จะต่อว่าอะไรหลวงพ่อก็ไม่ได้เพราะท่านเป็นพระผู้ใหญ่ เกินกว่าจะมีใครกล้าฮึดหัดไม่พอใจเศรษฐีได้แต่หลุดออกมาคำหนึ่งว่าโอ้หลวงพ่อครับแล้วเสียงก็หายเข้าไปในลำคอเงียบนิ่งกันไปทั้งหมดหลวงพ่อซีนกายเห็นเป็นโอกาสแสดงธรรมในเวลาอันถูกกาลเทศะที่สุดในเมื่อมีลูกหลานอยู่พร้อมหน้า และทุกคนกำลังพยายามฟังท่านพูดอยู่ทีเดียวท่านเริ่มเอ่ยเสียงเป็นปกติขึ้นว่าลูกเอ๋ยพ่อมิได้เขียนหยอกล้อทำเป็นเล่นเลยอันว่าตายนี่แหละเป็นเรื่องจริงที่ใครๆจะหลีกไม่ต้องให้ได้พบนั้นไม่ได้ฉะนั้นพรที่พ่อให้ลูกทั้งหลาย จะไปขัดไปฝืนกับตายไม่ได้ถ้าได้ก็เป็นของเท็จไม่สำเร็จเป็นพรเป็นวาจาสิทธิไปเสียล่ะสิมีแต่ว่าหากจะตายก็ขอให้ได้ตายเรียงกันก่อนหลังยังพอทำเนาความทุกข์เท่าที่เป็นคนอยู่ทุกวันนี้ก็มีอยู่มากหนักแปรอยู่แล้ว พวกเจ้าทั้งหลายอย่าต้องมาเสียน้ำตาด้วยความทุกข์ปริเทวนาการแสนสาหัสในเมื่อมีลูกมีหลานมาด่วนตายไปก่อนตนอีกเลยเหตุการณ์ที่จะให้แต่ทุกข์ระทมหม่นไม่ทับทวีอันเกิดจากที่มาชิงตายไม่เป็นสัมลูกมาตายก่อนพ่อก่อนแม่หลานมาตายก่อนตาก่อนยาย ก่อนปูก่อนอย่านั้นถ้าบันดาลให้คลาดไม่ต้องผานพบได้พ่อถือว่าเป็นพรและเป็นสิริมงคลของวงตระกูลแน่แท้ต่อจากนั้นหลวงพ่อศีลกายก็แสดงมหาสิริมงคลในที่ชุมนุมนั้นยิ่งยิ่งขึ้นไปอีกกล่าวคือให้ทุกคนรู้จักว่งเงินนั้นมันคืออะไรแน่ จะทำอย่างไรกับมันจึงจะได้ประโยชน์มหาศาลและการจะเป็นคนมีเงินโดยไม่ต้องเป็นทุกขนั้นทําได้อย่างไรหลวงพ่อซักไซทวนถามอยู่เป็นนานแสดงให้ทุกคนในที่นั้นรู้ชัดว่าวิธีที่จะทํากับเงินนั้นมีสอนในพุทธศาสนาทั้งสิน้นในที่สุดได้ทําให้หลายคนรวมทั้งตัวท่านเศรษฐีด้วย ได้กลายเป็นเศรษฐีจริงชนิดที่ไม่ต้องทุกข์เพราะเงินอีกต่อไปเป็นปาฏิหาริย์อย่างเห็นกันสดสดร้อนๆ้อนนิทาน ก, จก็จบจากเรื่องราวที่เล่ามานี้ท่านจะเห็นได้ว่าทั้งหมดนี้เป็นปัญหาหนักหน้าของบุคคลชั้นที่มีอันจะกินทั่วไปฉะนั้นใครที่ไม่มีโชคได้เป็นเศรษฐี ก็จงรู้เพิ่มขึ้นอีกอย่างหนึ่งเถิดว่าในวงของเหล่าชนผู้ที่โลกเรียกว่าเศรษฐีนั้นเขาพบปัญหาในหมู่เขาอย่างไรเงินนี่แหละมันคืออะไรกันมันมิได้เป็นเพียงอิแปะธรรมดาธรรมดาที่น้ำเอาออกมานับเพื่อชื่นใจเท่านั้นมันยังมีอะไรสิงอยู่ในนั้นสำหรับจะกดทวงหัวใจใครต่อใครได้ด้วย ทำให้เขาคนนั้นเป็นผู้หมดความสุขทั้งๆคนอื่นพากันอิจฉานึกว่าได้ดีไปแล้วอย่างตัวอย่างเศรษฐีในนิทานเรื่องนี้ว่าที่จริงก็น่าเห็นใจเพราะไม่ว่าทุกการทุกสมัยต้องมีคนคิดเหมือนแกนี้แน่นอนและมีปัญหาตีบตันใจอย่างนี้แน่นอนเว้นแต่จะพูดหรือไม่พูดให้ใครรู้เท่านั้น แกอยากจะให้แกมีชีวิตอยู่ค้ำฟ้าถ้าค้ำฟ้าไม่ได้เงินทองจำต้องหลุดลอยจากมือแก่ก็อยากจะให้มีอะไรมาเป็นหลักประกันมั่นคงที่สามารถอยู่ค้ำฟ้าคอยช่วยคุ้มกันไม่ให้ความเป็นเศรษฐีนั้นเสียหายละลายจากในชั้นลูกชั้นหลานของแก่แกคิดของแกถูกทางแล้วคืออย่างน้อยก็ไม่ตเตลิดไปเป็นพวกนิยม ชนิดไม่มีศาสนาแต่ด้วยพื้นความรู้ของแกทำให้แกคิดได้สูงสุดเพียงจะพึ่งพุทธศาสนาในแง่ที่จะช่วยบรรดาลให้แกได้สิ่งที่แกปรารถนาจะได้จริงหรือไม่ด้วยวิธีใดแกไม่คำนึงเพราะสุดแรงคิดของแกเพียงเท่านั้นบังเอิญแกไปพบพระที่เป็นพระจริง ไม่เอออคอยเอาใจคนมีเงินจึงทำให้เรื่องทุกเรื่องกระจายแก่เซถีจนถึงที่สุดจนเป็นเรื่องจริงที่เล่ากันมาจนบัดนี้ดูเอาเถิดท่านทั้งหลายช่างไปเหมือนแพทย์โรคจิตในปัจจุบันที่เขาทาช็อคแก่คนไข้ที่กระหืหรือตึงตังเอาไว้ไม่อยู่อาจารย์เซนก็มีวิธีทำช็อค แกผู้มาวัตถุเหมือนกันคนพวกนี้มีความคิดแค่โลกโลกคิดเรื่องอะไรก็ไปติดแค่เรื่องเนื้อหนังทุกทีจนไม่มีช่องโอกาสได้คิดขุดลึกลงไปแม่นิดเดียวเห็นอะไรทุกสิ่งรู้จักอะไรทุกอย่างเพียงผิวผิวแล้วก็ปูนเปลี่ยนหลงคิดนึกอยู่แต่กับสิ่งที่ลวงอย่างยิ่งเหล่านั้นไปจนตาย อบายวิธีของท่านอาจารย์จูมพวกที่โลภจัดอย่างเศรษฐีเหล่านั้นไปให้ชนกับความจริงที่แท้จริงกล่าวคือความตายเหมือนเรือลากจูงฉุดเอาเรือพ่วงให้แล่นฉิวแล้วหลบปล่อยให้บรรดาเรือที่ถูกจูงชนเข้ากับตะลิงอย่างจังความเรื่องนี้ก็เช่นเดียวกันท่านอาจารย์สินกาย ทำให้ทุกคนชนเข้าโดยแรงกรบสิ่งที่ทุกคนพยายามหลีกเลี่ยงปลุกให้เขารู้เสียทีหนึ่งก่อนถึงธรรมชาติธรรมดาที่ใครๆก็รู้แต่ก็ไม่ไว้เข้ากับตัวเองเลี่ยงไม่ยอมคิดนึกถึงความที่ต้องตายปล่อยให้ตัวเองหลอกตัวเองไม่กล้าเผชิญเรื่องที่เป็นจริง หลังจากทุกคนเปลี่ยนระดับความรู้สึกตั้งอยู่บนฐานอานิจจังทุกขังของทุกสิ่งทุกอย่างแล้วท่านอาจารย์ก็มอบ ม, มหาสิริมงคลให้ในตอนหลังคือธรรมะชั้นสูงกล่าวคืออนัตตาที่จะทำให้บุคคลรู้จักทมกับทุกสิ่งได้ถูกต้องโดยไม่ต้องเป็นทุกข์ ในที่นี้เอาเงินเป็นวัตถุสำหรับกล่าวเป็นตัวอย่างหากรู้จักเงินถึงที่สุดเพียงอย่างเดียวก็เท่ากับรู้จักสิ่งอื่นชื่ออื่นกระทั่งรู้จักชีวิตนี้ทั้งมวลได้สิ้นเชิงนับว่าบุคคลนั้นกลายเป็นคนไม่อัตคัดขาดแคลนความสุขไปจนตายแม้จะอยู่ปะปนไปกับหมู่ชนที่เขาัวงมระทมทุกข์ เพราะไม่รู้จักอะไรอย่างแท้จริงในโลกนี้ในพุทธศาสนาสอนให้ทุกคนที่ใครจะได้ชื่อว่ารู้อะไรเช่นรู้จักเงินให้ถึงที่สุดเขาจะต้องรู้จักดังต่อไปนี้คือหนึ่งให้รู้จักเงินนั้นตามประษาโลกให้ทุกแง่ทุกมุม อย่างเช่นเคล็ดที่เศรษฐีผู้รู้จักสร้างตัวเองคนนี้รู้ 2. ให้รู้จักเงินในแง่ที่มันจะอํานวยผลข้างดีอะไรได้บ้างกี่อย่างกี่ทางทั้งที่เห็นได้และเร้นลับ 3. ให้รู้จักเงินในแง่ที่มันจะทําพิษให้ผลข้างไม่น่าชอบใจร้ายกาศทางไหนอย่างไร กี่ทาง4แล้วจึงให้รู้จักรูทางที่จะทำกับมันให้ถูกต้องตามที่โลกเขาสมมุติด้วยแล้วเสวยผลอันเกิดจากที่เงินจะพึงบันดาลในทางที่จะเป็นประโยชน์แก่ชีวิตให้ครบถ้วนสูงสุดด้วยแล้วยังมีวิธีทำจิตทำใจต่อสิ่งที่เรียกว่าเงินนั้น มิให้มันมาเป็นเราของเราด้วยความที่เห็นมันอยู่ว่าเป็นอนัตตาด้วยขอผู้มีอันจะกินทั้งหลายจงปลอดภัยด้วยอุบายวิธีของพระพุทธเจ้าอย่างนี้ด้วยกันทุกคนเถอดและผู้ที่ไม่อยู่ในค่ายของผู้มีอันจะกินก็ขออย่าได้ประมาทอย่าจัดตัวเองให้น้อยหน้าไปกว่าคนอื่นได้ มิฉะนั้นจะกลายว่าเป็นคนขาดทั้งทรัพย์โลกโลกและทั้งอริยทรัพย์ด้วยประการาชนี